มาวัดมาทําไมครับมาวัดมาทําไมมาขัดเกล็ดพรคุณเจ้าแล้วขัดได้เปล่าได้บ้างพระคุณเจ้าเฮาเวลามาอยู่วัดมันก็ขัดได้แต่เวลากลับไปบ้านมันไม่ขัดเลยครับขัดต่อเปล่าออย่าจําที่พระคุณเจ้าบอกว่าอย่าอยาก พ่อดียวแต่ก็ยังอยากอยู่อยากครับยังอยากจําแต่ไม่ทําครับเลือกยากนะครับความอยากนี่เลือกยากครับอถ้าเลือกง่ายก็ไปนิพพานกันหมดนะตัวที่ทําให้เราไม่ได้ไปนิพพานก็คือตัวความอยากเนยะ ตัวที่ทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือ ค, อความอยากอยากในรูปเสียงกยลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ความอยากนี้เลยทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในการมาพบถ้ายังมีความอยากในการการมาตัณหาก็ต้องกลับมาเกิดในการมาพบ การมพบก็เป็นที่อยู่ของเทวดามองมาเทวดามนุษย์เดรัจฉานเปรตอสูรลกายสัตว์นรกจิตเหล่าของสัตว์เหล่านี้เป็นจิตที่มีกามติดในกามติดความสุขในกามติดในรูปเสียงกลิ่นรสยังไม่ตัดกมกามกามตัณหา คามอยากในรูปเสียงกิิแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามะภพตายภพนี้มีอยู่สามมีกามะภพมีรูปภพกับอรูปภพเรียกว่าตายภพตายภพตายภูมิตายโลกธาตุเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของจิตที่ยังมีตัณหาอยู่ผู้ที่ไปตาย พวกที่ไปในไปอยู่ที่รูปภพหรืออรูปภพได้เป็นพวกที่ได้ตัดการกามตัญหาตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้พวกนี้ก็จะไม่เป็นเทวดาไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกแต่จะไปเป็นรูปภพกับอรูปภพ แต่ยังกลับยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในรูประพบกับอรูประพบก็ยังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ถ้าตัดภาวะตัณหารอะภาวะตัณหาวิภาวะตัณ ห, หาได้ก็จะไปนิพพานนี่คือตัณหาทั้งสาม ที่ทำให้ติดอยู่ในใายภพทั้งสามใต้ภพกามาตันหาก็ทำให้ติดอยู่ในกามาะภพภาวะตันหาก็ทำให้ติดอยู่ในรูปภพวิภาวะตันหาก็ทำให้ติดอยู่ในอรูปภพถ้าไม่มีตันหาทั้งสามก็ไปนิพพาน พระโสดาบันนี่ยังยังตัดกามตัณหาไม่ได้ตัดได้บางส่วนยังตัดไม่ได้พระสกิดาคามีก็ยังตัดไม่หมดยังมีเหลืออยู่บางส่วนมีพระอนาคามีนี่ตัดกามะตัณหาได้ก็จะไม่กลับมาเกิดในกามภพเพราะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลียว ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมที่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันแล้วก็จะหลุดไปสู่พระนิพพานได้ต่อไปพระอนาคามมนี้ท่านตัดกลาง ม, มาติหาได้หมดตัดความ เืดติดในร่างกายของตนเองตัดในความรักใคร่ในร่างกายของผู้อื่นไม่ต้องมีแฟนอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องมีภาพเสียงรูปเสียงเกีนรถให้เสียงท่านมีความสงบแต่ท่านยังติดในความสงบอยู่ ขท่านละความสงบได้ละอัตตาตัวตนได้ละความสุขในจิตได้ท่านก็จะไปนิพพานได้นี่คือตัวที่ทำให้พวกเรามาเจอกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากถ้าเบื่อกี่หน้ากันก็อ ย, า, ยากจะได้ไม่มาเจอกันอีก เราไม่รู้เจอกันมากี่ครั้งวะแต่เราจํากันไม่ได้อต่ก็ลงมาเจอกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่ามันมีอะไรดูดกันวะเคยเคยชอบสิ่งเดียวกันเคยชอบของอย่างเดียวกันก็เลยไปหาที่ที่เดียวกันเหมือนคนที่ชอบไปบาร์ไปผับเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บาร์ที่ผับอยู่เรื่อยคนที่ชอบขี่จักรยานเดี๋ยวก็ไปเจอ คนที่ขี่จักรยานด้วยกันคนที่ชอบไปวัดก็มักจะไปเจอกันที่วัดเนี่ยชาติก่อนๆแล้วก็คงไปเจอกันที่วัดกันชาตินี้ก็เลยต้องมาเจอกันที่วัดกันใหม่แต่จำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเวลาอันยาวนานความจำของพวกเราสั้น ถ้าไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่ก็จำกันไม่ได้นะจำชื่อไม่ได้นะ<ค>น <RS. S 1> แล้วถ้าไม่ได้เจอกันนานๆหน้าตาก็เปลี่ยนไปรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปวันก่อนเจอคนที่เคยเห็นหน้ากันเมื่อสามสิบปีก่อนเอาเจอทีจำไม่ได้เลยหน้าตานี่จำไม่ได้แต่พอพูดเสียงนี่จำได้นะเสียงไม่ค่อยเปลี่ยนเสียงคนนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนวิธีคน พูดของคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนชาติก่อนเราเคยพูดอะไรอย่างไรชาตินี้เราก็พูดแบบนี้เราถึงจำกันได้ไงเวลาเราเจอใครได้ยินเสียงคำพูดเขาเนี่ยเราจะชอบหรือไม่ชอบทันทีไี่จะเฉยเฉยแต่หน้าตามันเปลี่ยนไปหมดแล้วหน้าตาเวลาเข้ามาเกิดใหม่ได้เข้ารูปร่างหน้าตาใหม่แต่วิธีพูดของเขาเนี่ไม่เปลี่ยนเสียงของเขานี่ไม่เปลี่ยน เคยพูดกระโชกกระชากเคยพูดสุภาพเรียบร้อยนะเคยพูดอย่างไรเขาก็จะมกักจะติ ด, ดนิสัยนั่นมานะมันก่อนเจอคนหน้าตาจำไม่ได้แต่พอพูดออกเสียงปั๊บนี่ได้ยินจำได้เลยนะเสียงนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนแตนะ่ร่างกายไม่เปลี่ยนเคยดูรูปของเรามาสิบปีก่อนไหม เม่อ20ปีก่อนกรรันี้เป็นไงคนละคนเลย่ะ20ปีก่อนยังแบะบ่ออยู่มั้งเนี่ยเดี๋ยว20ปีข้างหน้าก็าดูเลยก็เปลี่ยนไป20ปีข้างหน้านั้งก็จะเหี่ยวย่นเนี่ผมก็ใจงอ เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามาเกิดกันได้ยังไงมีพระพุทธเจ้าเนี่ยในทรงตัดสรุรทรงค้นพบว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพวกเราเนี่มีกามตัณหาทุกคนมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกันทุกคนถึงมาเกิดในภพของมนุษย์พบมนุษย์นี่เป็นที่เสพกามกันใช่ไหม อยากดูไหมอยากฟังไหมอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นไหมเคอความอยากที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันเพราะเราต้องมีร่างกายช่วยปิดมีลิเกมีลำวงมีภาพยนตร์เพราะคนชอบของพวกนี้กัน เลยต้องมีเขางลงนี้งดึงคนเข้าวัดให้ไปปิดทองจัดงานประจําปีถ้าไม่มีมหอแศพก็ไม่มีคนไปไปก็น้อยในยถ้าบนนี้มีคอนเสิร์ตเนี่ยป่านี้เต็มแล้ น, นี่ถ้าที่บนนี้จัดคอนเสิร์ตทุกวันนี่จัดคอนเสิร์ตฟรีทุกวันนี่โอโหเต็มไปหมดมันก่อนมีญาติโยมคนหนึ่ ง, นงเขาทํา วิจัยทบปัญญาเอกเรื่องการท่องเที่ยวในวัดบอกตายแล้วคุณทำไมผักทาท่องเที่ยวที่วัดกันวัดมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแต่ก็บอกว่าถ้าเราไม่จับเป็นที่ท่องเที่ยวคนก็ไม่มากันนะสิคนที่ชอบท่องเที่ยวเราไม่ต้องการให้มาหรอกมาแล้วมันวุ่นวายมาแล้วมันไม่สงบมาแล้วมันทำลายความสงบของวัด วัดนี้เป็นสำหรับที่ที่คนไม่ชอบท่องเที่ยวกันที่สําหรับคนที่เบื่อการท่องเที่ยวที่ให้คนมาหาความสงบมาหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสงบทางใจทางจิตที่เป็นความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นความสุขที่ ถาวมีได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็ไม่สามารถมีความสุขได้ต่อไปพวกเราจะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันได้าะจะแก่ลงไปเรื่อยๆแก่แล้วก็ไม่มีกำลังวังชาจะไปเที่ยวที่ไหนกัน อยู่บ้านก็หงุดหยิดเหงา ว, าว้าวแต่คนที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาก็ไปคิดว่าจะเดี๋นี้วัดวาเป็นที่ท่องเที่ยวกันแม้แต่คนสร้างวัดเองก็คิดว่าสร้างวัดเพื่อให้คนมาเที่ยวกัน วัดพระแก้วนี่สมัยก่อนก็ไม่ได้สร้างให้คนมาเที่ยวหรอกก็แยกแผ่นดินสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสามขบูชาเป็นที่ไวสักสำหรับกิจกรรมทางศาสนาแต่ยุคหลังๆนี้วัดพระแก้วก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเพราะเป็นที่ที่สวยงามชาวต่างชาติมาเห็นก็ ประทับใจในความสวยงามของศิลปกรรมต่างๆก็เลยกลายเป็นท่องเที hmm. enfin ่ยวไปสถานที hmm. <Get S 3> like ่ท่องเที่ยวไปก่อนยุคนุ่นหนังก็เลยคิดว่าสร้างวัดเพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวกันยามสร้างบ้านสร้างวัดให้สวยงามให้วิจิตรพิสดารเลยผิดจุดประสงค์ของของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสร้างให้สร้างวัดเพื่อให้เป็นที่อยู่ของผู้ที่ต้องการหาความสงบผู้ที่ต้องการศึกษาที่ต้องการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตมีความสุขให้จิตปลดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ตอนนี้คณะกรรมการวัดในแต่ละวัดนี่มองไปที่การหาเงินเข้าวัด หารายได้เข้าวัดกันก็เลยต้องคิดหาวิธีดึงดูดคนเข้าวัดกันแต่ละวัดก็มีอะไรแปลกๆใช่ไหมวัดเสือใช่ไหมเคยเห็นวัดเสือไหมมีเสือคนก็ไปวัดกันไปเที่ยวกันไปดูเสือกันไปถ่ายรูป ก, กับเสือกันไม่เคยไปหาพระเลยไปวัดเสือ ไปหาเสือเสือมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรมันจะเป็นอาจารย์ของเราได้อย่างไรมันจะสอนให้เราหยุดพ้นได้อย่างไรไปวัดก็ต้องไปหาพระกันคนส่วนใหญ่ไม่ชอบหาพระเป็นกันชอบไปหาพระตายพระพุทธลูกส่วนใหญ่ไปวัดเนี่ยวัดโสธนี่ไม่ได้ไปหาพระเป็นกันไปหาพระพระตายเงี้พระพุทธลูก ไหว้กาบแล้วก็ขอกันขอนูน่นขอนี่ยิ่งวันนี้โอ้ยวันนี้วันสําคัญด้วยวันอะไรเลยวันหวยออกวันนี้ทุบเทียนขายดีทุบเทียนกันบูชาพระพุทธพระพุทธเจ้ากันพระพุทธรูปกันหรือถ้าไปห า, าพระเป็นก็ห า, าพระเป็นที่ที่ไม่เห็นเห็นเลขเด็ด มีเลขเด็ดๆดให้อันนี้คงจะเต็มวัดเลยพระที่มีเลขเด็ดๆดให้เนี่ยสมัยนี้เข้าวัดเข้ากันแบบนี้เข้าไปหาลาบยศกันคนอยากได้ยศก็เข้าไปเวลาเลือกตั้งนี้สสอไปวัดกันเนยอะคนที่ไปสมัครสสอี่ไปหาเสียงในวัดกันเนยอะไปหาเสียง เพื่อหายศดกันวัดเลยเป็นจุดเป็นที่ที่ผิดจุดประสงค์ไปโดยไม่รู้สึกตัวคนสมัยนี้เลยไม่รู้ว่าไปวัดทำไมกันส่วนใหญ่ก็ค่ว่าไปวัดก็เพื่อไปเนี่ยไปขอนูน่นขอนี่กันใครอยากจะเรียนจบก็ไปขอกันกลัวจะเรียนไม่จบเพื่อไปขอ ลูกไม่ดีก็ไปขอให้ลูกดีคนไม่มีลูกก็ไปขอให้มีลูกคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยขอกันหมดมีอะไรอยากได้อะไรนี่ยังก็เป็นแก้วสารพัดนึกพระพุทธรูปนี้เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกเลยใครอยากได้อะไรก็ไปซื้อธูปจุดธูปเทียนสามดอก แล้วก็พึมพำพึมพำไปในใจขอนุ่นขอนี่บางคนขอได้ก็ดีใจคิดว่าได้จริงๆขอแล้วได้จริงๆก็เลยติดใจเวลาอยากจะได้อะไรก็ไปขอกันถ้าไม่ไดก้ก็คิดว่ายังไม่ถึงข่าวยังไม่ยังไม่ยั ง, ย, ง, ย, งยังไม่พระยังไม่โปรด ก็รอเข้าหน้าขอใหม่เนี่ยาศาสนาพูดเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไปซะลนะเพราะเราไม่ศึกษากันว่ า, าศาสนาสอนให้ทำอะไรกันไม่ก่อยศึกษากันศึกษากันก็แบบงูงูปลาปลาศึกษากันแบบเป็นพ่อแม่สอนมา พ่อแม่สอนให้สายบาศก็สายบาทพ่อแม่สอนให้กาบพระก็กาบพระนะก็รู้เท่านี้แต่ไม่รู้ว่ากาบไปทำไมสาบาไปทำไมทำเพื่ออะไรนะรู้ข้อคำว่าบุญแต่ไม่รู้ว่าบุญมันเป็นอะไรนะถ้าต้องศึกษาถึงจะรู้ว่าบุญกับบาปเป็นอะไรนะบุญก็คือความสุขใจนะี่แหละบาปก็คือความทุกข์ใจ คือบุญคือการกระทําที่ทําให้เกิดความสุขใจแล้วก็เรียกว่าบุญการกระทําที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเราก็เรียกว่าบาปเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดดื่มสุรายาเมาเป็นการกระทําที่ทําให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจกัน การทำบุญให้ทานการให้ทานการได้รับใช้ผู้ได้ช่วยเหลือผู้นิได้สงเคราะห์ผู้อื่นทําให้เรามีความสุขใจเราเรียกว่าบุญการฟังเทศฟังธรรมก็บุญเพราะทําให้เรามีความสุขใจมีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เราไม่เข้าใจกันการ ปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิก็ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นไปอีกการมีปัญญาเพื่อตัดความโลคความอยากต่างๆก็ยิ่งทำให้เรามีความสุขใจมากยิ่งขึ้นไปนี่คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องศึกษากันเราถึงจะเข้าใจว่าวัดที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นอย่างไร วัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดที่สงบที่ไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆนอกจากการศึกษาพระธรรมคําสอนและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวัดนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่นั่งสมาธิเป็นที่เจริญปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาเพื่อที่จะมาทำอะไรเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันเมื่อรู้แล้วก็ศึกษาวิธีที่จะกำจัดเหตุนั้นว่าต้องกำจัดด้วยวิธีใดการมีนไห้ตายเกิดของเราเกิดจากความอยากเกิดจากการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหา ต้องการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญ า, าต้องไม่ทําบาปต้องรักษาศีลให้ดีต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบเราต้องศึกษาให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นที่เราอยากกันก็เพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุข เราคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นความสุขยังอยากได้กันอยากได้รูปคนนั้นอยากได้รูปคนนี้อยากอยากได้รูปต่างๆข้าวของต่างๆนี้ก็เป็นรูปเป็นของที่เราเห็นด้วยตาได้ด้วยตาเห็นรถยนต์ขึ้นมาก็อยากได้เห็นเขาโฆษณารถยนต์รุ่นล่าสุดเห็นเขาโฆษณาโทรศัพท์รุ่นล่าสุดเห็นเขาโฆษณาเสื้อผ้า อะไรต่างๆนี่เปิดทีวีปั๊บเนี่ยมีของกระตุ้นความอยากกันยยเยอะแยะไปหมดมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสขนมชนิดต่างๆสถานที่ไปเที่ยวไปรับประทานกันมีอะไรที่ไหนบ้างมามมงมามเมอะไรนี้ออกมากาเฟงกาแฟานี่ย โฆษณากันอยู่ตลอดเวลาเห็นแล้วก็อ่อยการมารตัญหาก็ออกมาออกมาแล้วก็เลยทาให้ต้องไปทาตามที่เห็นเก<ม>ิ <Euros> ดการมารตัญหาเกิ<ๆ>ดความอยากในรูปที่เห็นอยากได้ในรูปที่เห็นไม่เคยพิจารณาเลยว่ามั น, มนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันนะ่พอไปซื้อแล้วมันติดนะซื้อกาแฟมาดื่มแล้วมันติดนะ เลิกได้ป่ะหยุดกาแพรได้ป่ะเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟ ร, รู้สึกยังไงสุขไหมเรือ ห, หนุดเหี่ยดนี่หละไปซื้อยาเสพติดมาทั้งนั้นไม่รู้สึกตัวกันติดหลายอยา่างติดลูกเสียงกลิ่นรนะ้อนเนี่ยต้องมีปัญญาถึงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จะได้เลิกมันได้ ถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษเราจะกล้ากินกันนะกล้าซื้อมากินกันนะ ก, กาแฟหรือสุรายาเมาเนี่ยเวลาเขาโฆษณาเนี้โหดูแล้วน่าดื่มนยะคนเดิ่มนี่เป็นคนหนุ่มคนสาวรุปร่าตาหล่อดแล้วนั่งดื่มในสถานที่นั่งดื่มในขารหารในสถานที่น่าดูน่าน่าไปกัน เห็นเราก็อยากจะดื่มกันพอดื่มแล้วมันติดนะเวลาติดแล้วไม่ได้ดื่มเป็นยังไงสุขหรือทุกข์กันนี่นต้องมาศึกษาด้วยปัญญาเรียออปัญญาก็คือมองให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขกันเป็นเหมือนยาเสพติดทำไมพวกเราไม่เสพยาเสพติดกัน พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขใช่ไหมเพราะพอติดแล้วมันเป็นยังไงไม่เสพไม่ได้แล้วเสพไปมากๆเดี๋ยวก็ตายเราจึงไม่กล้าเสพยาเสพติดกันแต่ยาเสพติดที่ไม่ตายนี่เรายังกล้ากันอยู่พวกกาแฟนี่ยังกล้าบุหรี่ยังกล้าสูบกันอยู่สุรา ย, ยังกล้าดื่มกันอยู่เพราะมันตายช้ากว่ายาเสพติด แล้วมันไม่รุนแรงเท่ากับยาเสพติดทุกอย่างที่เราไปติดเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ทั้งนั้นผู้หญิงติดผู้ชายผู้ชายติดผู้หญิงนี่ก็เป็นทุกข์กันเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นยังไงเหงาไมว่าเหวเวลาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันทุกข์ทั้งนั้นอยู่ด้วยกันก็ทุกข์เวลาไม่อยู่ด้วยกันก็ทุกข์ ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่ให้สามารถให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปเวลาอยากเสพอะไรพอเสพแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่มีวันที่จะสู้ความอยากได้เห็นอะไรปุ๊บมันอยากได้ขึ้นมา ท, ทันทีได้ยินอะไรปั๊บอยากได้ขึ้นมา ท, ทันทีนี่คือที่ของที่ที่เราเรียกว่าวัดวัดเป็นที่สงบเป็นที่ศึกษาแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติเป็นที่กาจัด ความอยากต่างๆที่วัดจึงไม่มีของให้เกิดความอยากกันมาไม่มีทีวีไม่มีหมหรสพไม่มีบันเทิงไม่มีตู้เย็นให้คอยเปิดกินกันคอยดื่มกันเดีย๋ยวนี้ที่วัดทั่วไปกับเป็นที่หาความสุขกันพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าวัดขายของกันที่ไหนมีคนไปเที่ยววัดกันที่นั่นก็พ่อค้าแม่ค้าก็ไปกัน ของกินของดื่มอะไรเต็มไปหมดที่วัดไม่เป็นที่ที่ไม่ให้มีของพวกนี้ถ้ามีก็ต้องคอยควบคุมให้มีได้เป็นเวลาให้มีแบบเป็นที่ไว้สำหรับเติมน้ำมันให้กับร่างกาย ร่างกายยังต้องกินอยู่ยังต้องดื่มอยู่แต่ให้มันกินให้มันดื่มเพื่อร่างกายไม่ให้มันกินหรือดื่มเพื่อความอยากกินผลเดียวก็พอที่วัด น, นี้พภาภาที่อยู่วันนี้เขากินมือเดียวกันกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อความอยากดื่มก็ดื่มผลเดียวดื่มหมายถึงน้ําที่มีมีรสชาติเช่นน้นํากาแฟน้ําชา เต่กว่าน้าปานะน้าผลไม้นี้ก็ดื่มกันครั้งนึงตอนในตอนบ่ายเช้าก็ชานอาหารแล้วบ่ายก็ให้ดื่มน้าปานะได้หนึ่งครั้งนอกนั้นก็ดื่มน้าเปล่าเวลาหิวน้าก็ดื่มน้าเปล่ากันเพราะน้าเปล่านี้จำเป็นไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มด้วยเพราะว่าร่างกายมันขาดน้าต้องเติมน้าให้มัน วัดแท้จริงจึงเป็นวัดที่ไม่มีอะไรมากโบสเจดีย์ไม่ต้องมีก็ได้กุฏิก็อาจจะเป็นกระถอมเล็กๆน้อยๆพอมีอะไรหลบแดดหลบฝนได้ก็พอศาลาก็ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องวิจิตพิสดารพอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ศาลาหลังนี้พระจารย์ที่ท่านมาสร้างนี่ท่านก็อาศัยวัสดุธรรมชาติ เสาก็ตัดมาจากต้นไม้ดูเสามันตรงมไหมมันก็หงิกงอไปซ้ายขวามันก็ใช้ได้เมื่อก่อนนี่หลังคางก็ไม่ได้เป็นสังกะสีตอนที่สร้างครั้งแรกนี่มุงด้วยญ้าทีนี้ย้ามันมีปัญหามันสี่ห้าปีมันก็ผุต้องคอยเปลี่ยนด้วยก็เลยเ อ, เอาของที่มันทนทานหน่อยก็ใช้เป็นสังกะสีไป ทุกอย่างก็ยังเนี่ยเป็นของตามมีตามเกิดไม้นี้ก็เป็นบ้านของญาติโยมที่เขามีบ้านเก่ารื้อทิ้งแล้ว ก, ก็ขนไม้มาบริจาคให้กับวัดพระท่า น, นก็เอามาทำเป็นศาลาเนี่ยวัดจริงๆนี่จะเป็นวัดที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายมากไม่มีการก่อสร้างมาก เพเวลาก่อสร้างมันก็ไม่สงบมันก็จะมารบกวนความสงบของวัดกันที่วัด น, นี้ไม่ต้องการให้มีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการภาวนาการปฏิบัติธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นวัดเหมือนกับโรงเรียนมาหาลัยต่างๆเขาก็ไม่มีเขาก็ให้นักเรียนเขาเข้ามเรียนเรียนกัน เขาไม่ให้มีมอหรสบบันเทิงกันนะก็มีเฉพาะเวลา น, นานทีเวลาจัดงานปิดเทอมอะไรนี่ก็ว่าไปแต่เวลาเรียนนี้เขาให้เรียนอย่างเดียวเขาไม่ให้มีกิจกรรมอย่างอื่นนี่แหละคือวัดนะวัดก็คือเป็นที่สงบเพราะการปฏิบัติธรรมการจะทําจิตให้สงบได้อะ สถานที่ต้องสงบก่อนถ้าสถานที่อื่นกระทึกครโคนมีมหัศพมีกิจกรรมอะไรต่างๆนี้ไปนั่งสมาธิกันไม่ได้นั่งแล้วมันไม่สงบมันรบกวนต้องมาที่เงียบๆมาที่เป็นธรรมชาติจิตนี่ชอบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจิตจะสงบง่าย เวลาไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เป็นธรรมชาติสถานที่มีมนุษย์สร้างขึ้นมาทำขึ้นมาพลินขึ้นมามันจะไปทำให้จิตนไม่สงบนี่คือวัดว่าเป็นที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ปฏิบัติ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่สำเร็จมรรคผลนิพพานกัน ต้องไปอยู่วัดวัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดที่เงียบสงบนั่นคือคุณสมบัติของวัดแต่สมัยนี้เวลาเราไปวัดกันเรามักจะไปดูว่ามีโบสถ์หรือเปล่ามีเจดีย์หรือเปล่ามีกุฏิหรือเปล่า mm hmm. มาที่นี่เขาไม่รู้ว่าเป็นวัดกันบางคน ค, คิดว่าเป็นที่ท่องเที่ยวของป่าไม้บางทีขี่มอเตอร์ไซค์ยิงขึ้นมาบอกจะมาดูสัตว์ ตองที่นี่มันเป็นที่อยู่ของพระเข า, าเลี้ยวผิดที่จะดูสัตว์ต้องเลี้ยวที่วงเวียนวงเวียนมีที่เลี้ยวซ้ายซ้ายแรกซ้ายที่สองขึ้นเขาซ้ายแรกก็จะไปที่ที่กรงสัตว์ที่นี่เขามีกรงสัตว์กามีสัตว์ป่าที่เขาเอามาขยายพันธุ์เช่นนกที่มันหายากพวกนกยูง ไก่ฟ้าอะไรพวกนี้เป็นโครงการของนายหลวงนายหลวงอยากจะให้รักษาพันธ์สัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธ์เอามาขยายพันธ์กันขยายเก้งกวางสัตว์ให้มันออกรูกกันให้มันอยู่ในที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครจะมาทำลาย อมันโตแล้วก็จะเอาไปปล่อยในป่าใหญ่ทีนึงให้มันอยู่อย่างธรรมชาติเดี๋ยวนี้พระก็ต้องไปอาศัยวัดอาศัยป่าของป่าไม้อยู่กันเพราะเดี๋ยวนี้ป่าที่เป็นธรรมชาตินี้ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่คนไปบุกรุกกันไป ทำลายป่าไปสร้างรีสอร์ทกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยวัดป่าคือซื้อที่แล้วก็ปลูกป่ากันในวัดถ้าวัดป่านี้เขาจะนิยมปลูกต้นไม้กันเขาจะไม่นิยมปลูกโบสถ์เจดีย์ปลูกอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง มีบ้างก็มีพอให้มันใช้งานได้ให้หลบแดดหลบฝนได้ไม่จําเป็นจะต้องหรูหราต้องการให้ที่สงบมีการก่อสร้างให้น้อยที่สุดก่อสร้างเท่าที่จําเป็นเพราการก่อสร้างมันก็จะทำให้เกิดเสียงหรือก็เถอะก็โคลงขึ้นมา จะทำให้การปฏิบัตินี้ไม่คืบหน้าหัวใจของศาสนานี่อยู่ที่ธรรมที่ผู้ปฏิบัติได้บรรลุกันมรรคผลนิพพานถ้าศาสนาไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็เป็นเหมือนกับผลไม้ที่ไม่มีเนื้อมีแต่เปลือก เนื้อถูกสัตร์มันเจาะเข้าไปกินหมดเนื้อแต่เปลือกตัวของศาสนาก็คือบการบรรลุธรรมเลยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุธรรมองค์แรกบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานแล้วก็ท่งเอาความรู้ที่ทำให้บรรลุมรรคผลนผิพพานนี่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ Ờ, ผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็บรรลุธรรมกันขึ้นมาแล้วการบรรลุธรรมก็แปลว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจถ้าเป็นร่างกายก็เหมือนกับจากหลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าพวกเราไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเลยดีไหมให้อยู่อย่างสบายไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมียาไม่ต้องมีหมอน ไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยเลยดีไหมจิตของพวกเราก็เป็นอย่างมันได้แต่ร่างกายเป็นไม่ได้ร่างกายมันต้องเจ็บของมันไปเรื่อยๆมันต้องมีโรคนั้นโรคนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ใจของพวกเราเนี่เราสามารถรักษาให้มันไม่ทุกข์ได้เลยไม่ต้องทุกข์กับเรื่องอะไรได้เลยถ้าเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันเ ใ, ใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจองค์แรกของ ของยุคนี้โลกในยุคในโลกนี้ยุคในโลกของพระพุทธศาสนานี้เป็นองค์แรกที่ใจก็ไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลไม่มีความห่วงใยไม่ไม่ีความอิจฉาแลอาใจไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีความซึมเศร้าไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความเครียดอะไรต่างๆเหล่านี้จจิตของพระธเจ้าจะไม่มีเลย ใจเย็นสบายไปตลอดเวลานั่นแหะคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของข้าวของเรื่องของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เรื่องของเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ใจมันจะเฉยได้ใจมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อน กับสิ่งต่างๆไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่แหละคือหัวใจของาศาสนาแก่นของาศาสนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้มีสอนไว้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกคาสอนของเราถึงแม้จะมีมากมายถึงแปดหมื่นสี่พัน พระธรรมะขันที่บรรจุในพระไตรปิฎกนี่แต่มันเป็นความรู้อันเดียวกันเป็นความรู้ที่สอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้สอนให้ทำอย่างอื่นไม่ได้สอนให้ร่าให้รวยไม่ได้สอนให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเศรษฐีมามาม า, มาเป็นใหญ่เป็นโตสอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มัน มีเกิดแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจบ็บมีตายเราให้ได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีเราให้เกิดได้เป็นมหาจากักรพรรดิมันก็ต้องแก่เจ็บตายท่านยังไม่สอนให้ทำบุญเพื่อให้กลับมาร่ำรวยไม่ได้สอนให้ทำบุญเพื่อจะได้กลับมาเป็นมหาจากักรพรรดิท่านสอนให้ทำบุญเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ทาบุญเพื่อที่จะได้ไปบวชได้เข้าใจั้ม ว่าการทำบุญนี่ก็คือมีเงินทองมากน้อยก็ยกให้คนอื่นไปเราก็จะได้ไปบวชได้ถ้ายัางมีเงินทองอยู่ก็เสียไดเพอไม่มีเงินทองก็ไปได้ในคนไปบวชจึงต้องไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยคนมาบวชในวัดเนี่เอาแต่ศรัทธามาอย่างเดียวเอาแต่ผ้าจีวรมาอัฐบริขารพอแล้ว นั่นไม่ต้องเอามาทรับสมบัติข้าวของเงินทองลูกเมียสามีอะไรนี้ไม่ต้องเอามาของพวกนี้เหมันไม่ได้ทำให้หลุดพ้นจะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดของที่จะทำให้หลุดพ้นก็คือบาตรหนึ่งใบผ้าสามผืนจีวรที่เข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นใบมีดกร ที่โกนผมโกนหนวดนเข็มก็ได้ไว้สหรับไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลามันขาดแล้วก็ที่กล่องน้ำเวลาตักน้ำจากลำธารจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติของผู้ที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ท่านี้อยู่ได้แล้วปฏิบัติทำได้แล้ว วัดที่แท้จริงก็ต้องเป็นวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบททัติธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นวัดไม่ใช่เป็นวัดที่ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์วัดที่ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์แต่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมที่นั่นนับเป็นวัดที่ที่มีโบสถ์มีเจดีย์แต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบททัติที่นั่นไม่ได้เป็นวัดเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างวัดพระแก้วเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยว ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติเพราะไม่มีพระอยู่ที่นั่นเน่คนเข้าใจผิดคิดว่าวัดจะต้องเป็นเหมือนวัดพระแก้วถึงจะเป็นวัดกันสร้างวัดก็จะคิดสร้างให้เหมือนวัดพระแก้วกันจากคนที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาจะรู้ว่าวัดนี้เป็นที่สงบสงัดที่อยู่ในป่าในเขา ทีมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมกันอันนั้นแหละเป็นวันเป็นที่ที่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันศาสนาจะอยู่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์อยู่ที่พระพุทธรูปแต่อยู่ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปศาสนาก็จะตายไปเพราะไม่มีใครจะเอามาสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ อยากบรรลุมากผลนิพพานได้ก็ต้องมีที่ปฏิบัติมีที่ศึกษากันต้องมีผู้บรรลุเป็นผู้สั่งสอนด้วยถ้าผู้ที่ไม่บรรลุมากผลนิพพานมาสั่งสอนมันก็เหมือนคนตาบอดสั่งสอนคนตาบอดนีมันจะไปไหนละ่ะคนตาบอดพาคนตาบอดนีจะพาไปถึงไหนกันมันต้องมีคนตาดีคนหนึ่งพาคนตาบอดมีคนตาดีคนเดียวมั้ย ถ้ามีคนตาบอดล้านคนก็ไม่เป็นปัญหาเลยคนตาดีคนเดียวนี้พาไปได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกเป็นคนตาดีคนแรกเราดูสิสอนให้พวกตาบอดอย่างพวกเรานี่เป็นผ้าอาถารกันกี่แสนกี่ล้านลูกอะตั้งแต่สมัยแรกที่สแสดงธรรมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเก็บบันทึกไว้คงจะมีผ้ะอาถรานเป็นแสนเป็นล้านเนยเยในเมืองไทยเราก็ยังมีอยู่ มีมาตั้งแต่ที่เรารู้กันก็เกิดตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเนี่ยหลวงปู่มั่นนั่นก็เป็นพาาระอรหันตุศี์ร ah ูกหาของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นพาาระอรหันต์กันถ้ามีพาาระอรหันต์สอนก็จะมีผู้สามารถเป็นพาาระอรหันต์ได้ถ้ามีไม่มีพาาระอรหันต์สอนผู้ที่ปฏิบัติตามจะไม่สามารถเป็นพาาระอรหันต์ได้เพราะคนสอนไม่เป็นแล้วคน เรียนจะไปเป็นได้ยังไงคนที่ไม่จบปริญญาตรีมาสอนเด็กมันจะสอนให้จบปริญญาตรีได้ยังไงในเมื่อคนสอนยังไม่จบเลยคนสอนก็สอนได้เท่าระดับที่เขาเรียนจบมาแล้วก็จบม .6 ก็สอนแค่ขั้นม .6 ได้เท่านี้เขาจะไปสอนขั้นปริญญาตรีได้ย่งไรเมื่อในเมื่อเขายังไม่ได้เรียนก็ยังไม่ได้จบ นี่ขอให้เราเข้าใจความหมายของวัดมาวัดมาเพื่ออะไรมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายใจของเราจะได้มีแต่ความสุขไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆแต่ตวันนี้เรายังทุกข์กับมันอยู่ใช่นะไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับเรื่องนี้ มีให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆนะเพราะเราไม่รู้จักวิธีกำจัดมันนะความทุกข์เหล่านี้เรากำจัดมันได้ถ้าเราศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทำสามอย่างนี้เราจะกำจัดทางทุกข์ได้หมดทําทานอย่าหวงอย่าโลภเงินทองถ้ามีเงินทองเกินกว่าที่เราจําเป็นจะต้องมีก็ให้เอาไปทําบุญทําทาน คือให้พอมีพอกินความหมายแล้วก็อย่าไปหามากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดไปหาแล้วมันได้มามากกว่าที่เราต้องการก็เอาไปทําบุญกันนี่คือความหมายของการทําบุญให้เราทํางานหาเงินน้อยที่สุดเอาเวลาให้กับการหาเงินให้น้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็ไปบวชเลยว่าจะได้ปฏิบัติศีลกับภาวนาต่อไปได้ ถ้าเรายัางต้องทำมาหากินหาเงินหาทองอยู่มันก็รักษาศีลยากภาวนาก็ไม่มีเวลาภาวนาเพาฉะนั้นถ้าอยากจะไปรักษาศีลไปภาวนาก็ต้องเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองไปบวชกันไปอยู่วัดกันแล้วจะได้มีเวลารักษาศีลได้บรยสุดธอนที่บวชแล้วนี่รักษาศีนง่ายเพราะไม่ต้องไปโกหกใครเพราะไม่ต้องไปขายข้าวขายของ ไปหลอกเอาเงินของขารมาไม่ต้องไปโกงซื้อของเอาของเสียมาขายบอกว่าเป็นของดีหลอกลวงกันช่อโกงกันนี่คือขั้นแรกคือการทำทานให้เราใช้เงินน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หาเงินให้น้อยที่สุดจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราให เห็นว่ามันดีเราก็จะได้เลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองแล้วเราก็จะไปบวชได้เงินทองที่มีอย e, ู really in, ่ก็ยกให้คนอื่นไปทงทานจะได้ไปรักษาศีลไปภาวนาได้พอไปรักษาศีลไปภาวนาไม่นานจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ขอให้ไปเรียนกับคนที่เขาหลุดจริงๆเนี่ยแล้วเราตั้งใจปฏิบัติตามที่เขาสอนหลุดได้ คนสอนนี่สำคัญคนเรียนก็สำคัญคนสอนหลุดแต่ถ้าคนเรียนเรียนไม่เอาจริงเอาจังไม่เชื่อฟังสอนแล้วไม่ทำตามมันก็ไม่ได้อยู่ดีถึงแม้ว่าคนสอนจะหลุดแล้วแต่คนเรียนถ้าไม่ตั้งใจจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็หลุดไม่ได้แต่ถ้าคนคนเรียนตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่คนสอนยังไม่หลุดก็สอนให้หลุดไม่ได้เหมือนกันมันต้องเป็นทั้งสองคน คนสอนก็หลุดคนเรียนก็ตั้งใจอยากจะหลุดจริงๆพร้อมที่จะทำตามคำสอนทุกอย่างถ้าอย่างนั้นลุดได้ที่ไม่หลุดก็คือบางทีไม่ฟังเราฟังแล้วแต่ไม่เชื่อสอนให้ทำอย่างนี้กับไม่ยอมทำมันไปทำอย่างอื่นแทนแล้วมันก็ไม่หลุดมันมีสองส่วนคนสอนก็ต้องหลุดคนเรียนก็ต้องเชื่อคนสอน แล้วปฏิบัติตามคําสอนของคนสอนทุกอย่างคนสอนบอกให้กระโดดแต่กก็ต้องกระโดดนะไม่ต้องกลัวถ้าเขาบอกให้กระโดดแต่ก็กระโดดไปเลยก็จะทดสอบจิตใจเราว่ายังยึดติดกับร่างกายหรืเอเปล่าครูบาอาจารย์บอกว่าไปอยู่ในป่าไปไปหาเสือกันนั่นแหละจะไปหรือเปล่าครูบาอาจารย์บอกให้ไปถ้าไม่ไปมันก็ไม่หลุดถ้าไปก็หลุด ไปมันจะได้ป่งได้พอเจอเสือก็ยอมตายบางคนนี่บรรลุในปากเสือกันรู้ปะสมัยพุทธกาลนี่ยมีคนบนรรลุต้องบรรลุในปากเสือถ้าไม่ไปเจอเสือล้วไม่ยอมปล่อยพอถูกเสือกัดนี่มันไม่ปล่อยร่างกายเลยเอามึงเสือมึงอยากจะได้ยกให้มันไปเลยใจก็หลุดเลยหลุดจากการยึดติดในร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายยังไงก็ต้องตายจากกันอยู่ดีถ้าตาย จากกันด้วยการปล่อยวางมันก็สงบมันก็ไม่ทุกข์ถ้าตายด้วยความยึดติดมันก็จะทุกข์กันนี่เกินการศึกษาอยากผู้ที่สอนที่รู้จริงเห็นจริงท่านจะสอนให้เราทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทํามาก่อนแต่ต้องทําถ้าอยากจะหลุดต้องยอมตายกัน ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้ยังไงมันก็ต้องตายยอมหรือไม่ยอมถ้าไม่ยอมตายก็ทุกข์กันเวลาจะตายถ้ายอมตายแล้วจะไม่ทุกข์จะสงบจะสบายต้องยอมเจ็บถ้าไม่ยอมเจ็บก็ทุกข์กันถ้ายอมเจ็บแล้วจะไม่ทุกข์ต้องยอมเสียทุกอย่างยอมเสียไหมเสียลูกเสียเมียเสียสามียอมเสียหรือเปล่า ถ้ายังไม่ยอมเสียก็ทุกข์กันถ้ายอมเสียเราจะไม่ทุกข์กันข อ, ของทุกอย่างมันที่มันทาให้เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมเสียมันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีกันถ้าเราจะไปศึกษาเราต้องเชื่อคนสอนท่านสอนให้เราตัดอะไรต้องตัดให้ได้พระพุทธเาสอนให้เราตัดรูปเสียงกลิ่นเราต้องตัดให้ได้แต่เราไม่ยอมตัดกันยังเสียดาย ยังเสียดายละครตอนนี้อยู่คืนนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามละครก่อนไม่ขอให้แกข่ขอให้ละครจบก่อนแล้วค่อยมาตัดมันก็ไปไม่ถึงเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาต่อยพอหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่มาต่อยกินเล่าก็เหมือนกับขอให้หมดขวดนี้ก่อนพอหมดขวดนี้เดี๋ยวก็ไปซื้อขวดใหม่มาต่อยบุหดี่ก็เหมือนกันขอให้หมดซองนี้ก่อนก็จะเลิก เพราะหมดนะเผือไ ป, ปซื้อใหม่ก้วลืมไปซะแล้วเราได้สัญญาไว้ว่าจะเลิกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันถึงตัดไม่ได้มันถึงไปไม่ได้กันเพราะไม่มีสติเวลากิเลสออกมานี่ไม่รู้มันออกมาเวลาไปซื้อสุรามานี่ไม่รู้ว่าไปซื้อสุรามาเหมือนคนนอนหลับฝันแล้วก็เดินไปหลับในฝันแล้วก็ไปซื้อของในฝันโดยไม่รู้สึกตัว ถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่พระเจ้าได้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราเราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามอย่างเขร่งครัดจริงๆถ้าปฏิบัติได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันเราก็ต้องไปหาที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปหาที่ที่มีแต่วัตถุถาวลวัตถุที่นั้นไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ที่มีโบสถ์มีเจดีมีอะไรต่างๆนี่มักจะไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์มักจะไปอยู่ในป่าในเขากันไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วพอเป็นที่ที่เหมาะต่อการศึกษาต่อการปฏิบัตินั่นเองที่ไหนที่มีคนมากๆเวัดที่มีคนไปกราบพระพุทธรูป ก, กันมากๆเนี่ยไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่แคนั้นมีแต่ความวุ่นวาย แย่งกันจุดทูบแย่งกันจุดเพียงนะขอให้เรารู้ว่าวัดจริงๆนั้นอยู่ที่ตรงไหนแล้วไปวัดเพื่ออะไรไปวัดเพื่อไปศึกษาไปปฏิบัตินะจะศึกษาปฏิบัติได้ก็ต้องเป็นที่ที่สงบที่เงียบไม่มีเสียงอื้อเรืคึกโคไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆอาแล้วนะ วันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรก็อขออนุโมทนาให้ผ่ อ, อ น, ะะออ น, นไ ม, น ม, นไ ม, ไม่ไม่ต้องะอง ไ, มไม่ต้องการให้ใครมายุ่ง เ, เดี๋ยวพา้าทำกันไปตามมีตามเกิด <c oughs> <c oughs> อาช่างมาเน่ยมันเป็นเขานี่มันขบขันมันถึงถึงต่างๆของมันอยู่แล้วต้องการความสงบไม่ไม่อยากให้มีกิจกรรมอะไรมากเดี๋ยวทำแล้วมันไม่จบมันจะต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวก็เห็นอะไรไม่เรียบก็จะให้มันเรียบไปหมดเดี๋ยวก็มีแต่งานทำไม่ไม่มีการปฏิบัติกันอย่าไปทําเลยปล่อยมันไปตามธรรมชาติ ศาลาหลังนี้คนจะมาสร้างใหม่ให้เราไม่ต้องสร้างดีอยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวกายอยากจะถามปัญหาอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาถักเมื่อกี้อยากจะถามเลยชนกับสัญญาณเสียงทาง ที่ก็ใช้สัญญาณเหมือนกันงทีมันชนกั น, กนอาว่ า, วามเ<า>มื่อคืนเมื่อคืนนั่งสมาธิเนี่ยข่าวอาจาร์แล้วคาวนี้นั่งแล้วมันมันอยู่ก็คือมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วพอก็รู้ว่าใาจ ย, ยเคยบอกว่าให้ต้องผ่านไปให้ได้นี่ต้องไปสนใจใช่ไหอพอทาไม่สนใจกลายเป็นว่ามีความรู้สึก เหมือนจะอยู่ๆเราเหมือนโลกหมุนแับห้องหมุนเป็นก็อย <g ay> ่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธจนมันรู้สึกว่าเหมือนเวียนหัวจนเราหยุดอยู่ก็ <g ay> ตอนนั้นเราไม่พุทโธแล้วใช่ไหมการขาย <g ay> เอ่อมันหามันก็เป็นถ้าเราอยู่กับพุทโธมันก็ไม่เป็นเห <g ay> มือนกับเวลาเราลอยอยู่ในน้าถ้าเราเกาะกับอะไรไว้มันก็ไม่ไหลไปกับน้ำพอเราปล่อยมันก็ไหลถูกน้ําซัดพาไปงั้นเราต้องกลับมาที่พุทโธนะคือต้องผ่าน ถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วมันจะผ่านไม่ผ่านไม่สําคัญถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้ว เ, เดี๋ยวไอสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันก็หายไปถ้าเราไม่มีพุโทโธเราก็ถูกมันดูดไปพายิ่งไปเป็นใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นม า, านนต้องพยายามให้อยู่ให้มีสติมีอะไรผูกใจดึงใจไว้ไม่ให้มันไปไหลไปตามเหตุการณ์ที่มาโผล่ขึ้นมาแต่พออะไรโผล่ขึ้นมาเราก็ลืมละเพลิพสติละหยุดพุดโทโธละ ไปดูมันลวอมันิงเลยาค่้จุดอยู่กันอไม่เวลาลองใหม่ทำใหม่ถ้าอย่างนั้นใจก็จะไม่สงบมันก็จะถูกไอ้เเหตุการณ์ต่างๆนี้พาไปแล้วต่อไปอาจจะไม่กล้านั่งกลัวก็ได้อย่าไปเพราะเราไม่ควบคุมใจปล่อยให้มันสร้างภาพมาหลอกเราคืออการหุนนะ่าอ่านั่นแหละ หละอาการต่างๆนันก็เป็นกระจายมันสร้างขึ้นมาถ้ามีพุทโธติดถ้ามีอะไรเกาะไว้ยึดไว้มันไม่เป็นอันนี้เข้ามากี่ก่คอนะสูงสุดสาม้อยห้าสิบค่ะมันนี้อยแสิบเอขาประจำนะเท่าเดิมนะประมาณสาม y o u t ห้าสิบสี่สิบสองครับส2ิบสองก็ยังดีคุ้มค่าเหนื่อยหน่อย ไม่ใช่ไม่ใช่พูดแล้วมีคนแค่สิบกว่าคนยี่สิบคนฟังอย่างนี้นี่มีคนติดตามต้องเกือบสี่ร้อยก็เอาได้ถ้าคนละถ้าคนระบาดก็ได้สี่ร้อยบาทนะาตาม YouTube มืนอนถ้าถ้ามีคนแค่นี้บางทีไม่อยากจะพูดอ่ะที่พูดนี้เพราะรู้ว่ามีคนติดตามทางบ้านอยู่เย yeah. อ, อะก็เลยคุ้มข่าเหนื่อยหน่อยเหมื้นกั เหมือนกันเราเปิดลงหนังใายมีคนมาดูสองสามคนนี้ก็ปิดลงดีกว่าไม่พอค่าน้ำค่าไฟยังต้องจ่ายค่าคนมาถ่ายวีดีโอนี่ต้องจ่ายน้ำคนละขวดอะไรมาถามมามีคำถามจาก y o u t u สองคำถามนะครับจากคุณนุชยาครับเวลาเข้าสมาธิแล้วหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นหมายความว่าเราเข้าอวังหรือไม่ครับ ก็หลับเพราะนจะเข้ารวังอะไรมันก็หลับมันก็นอนหลับเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่นั่งหลับทั้งนี้ก็ถือว่าหลับไม่ได้ไม่ได้สมาธิไม่ได้อะไรเพราะสติไม่มีกําลังก็สติน้อยมันก็เลยถูกความความหลับดึงไปถ้ามีสตินี่มันจะไม่หลับแล้วมันจะสงบแล้วมันจะมีความสุขงนั้นพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนมานั่งไม่มีสติบางทีนั่งก็ไม่ ไม่สงบเพราะฟุ้งฟุ้งก็เพราะไม่มีสตินั่งแล้วหลับก็ไม่มีสติเหมือนกันฉั้นต้องพยายามฝึกสร้างสติขึ้นมาบ่อยๆให้มากบ้างให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งแล้วพอมานั่งมันจะมีกําลังมันจะตื่นตัวมันจะไม่หลับแล้วเวลามันจะคิดมันก็หยุดความคิดได้ข้อที่สองแล้วถ้าเรารู้สึกตัวแล้วนั่งต่อเกิดอาการเข้าพวังอีกแต่ไม่หลับ แต่รู้สึกสบายแบบนี้ก็คือการเข้ารวังด้วยเหมือนกันไหมครับอ่านั่นแหละคือเข้าสมาธิแล้วแ่ะถ้ารู้สึกตัวแล้วสงบแล้วสบายเรียกว่าสมาธิแต่ถ้าเข้าไปแล้วหลับปุ๊บคอพับปั๊บแสดงว่าหลับไม่รู้เรื่องเลยนี่แค่สองอนี่แหละคนเดียวเหรอคนเดียวครับคำถามจากคุณโซ ผมมีปัญหาว่าตอนนั่งสมาธิแล้วปวดหลังมากครับพอลองศึกษาค้นคว้าดูพบว่ามีความเห็นสองอย่างอย่างแรกคือให้เปลี่ยนอริยาบทจากนั่งเป็นเดินหรือยืนโดยให้เหตุผลว่า 1. การเจริญสติไม่จำเป็นต้องทำในท่านั่งเท่านั้น 2. บางก็ว่าเป็นทางที่ตึงเกินไป 3. อาจทำให้เกิดความพิกลพิการทางร่างกายได้เช่นปวดเลื้อลัง กระดูกงอสี่สติปสิฐานมีหลายฐานไม่จำเป็นต้องดูเวทนาดูฐานอื่นๆก็มีโอกาสุดทนได้แต่ก็มีอีกความเห็นหนึ่งที่บอกให้อดทนจนกว่าจะเอาชนะเวทนาได้ให้อดทนใช้กรรมไปผมจึงอยากถามว่าความเห็นไหนเป็นความเห็นที่ถูกต้องครับคือเวลานั่งทำอย่างอื่นไม่เป็นใช่ไหมนั่งเล่นไพ่นี่นั่งได้นั่งคืนนี่ <c oughs> นั่งดูทีวีนั่งทาอะไรนี่ไม่เป็นนี่ พอมานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงก็เป็นใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสนะกิเลสมันจะคอยขัดขวางไม่ให้เรานั่งมันจะสร้างปัญหาต่างๆมาคนที่เขาต้องการหลุดพ้นก็ไม่สนใจกับเรื่องการเจ็บปวดของร่างกายถ้ามันเป็นเรื่องของมายาของกิเลสเขาก็ mm hmm. เขาก็นั่งไปขอให้เขามีสตินะถ้ามีสติแล้วจิตเขาก็สงบได้เอง แต่ถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สงบเดินยังไงก็ไม่สงบดังนั้นก่อนที่จะทําให้จิตสงบได้นี้มันจะต้องมีสติก่อนงั้นการเจริญสติก็จเจริญได้ทุกิริยาบทเดินยืนนั่งนอนทําอะไรนี่จเจริญสติได้แต่จะทําให้เป็นจิตสงบเป็นสมาธิต้องอยู่ในท่านั่งถ้าไม่นั่งเฉยเฉยจิตไม่สงบดังนั้นก่อนที่เราต้องอยู่ดูที่ว่าเรากําลังจะทําอะไร ถ้าเรากำลังสร้างสติขึ้นมานี่เราไม่ต้องนั่งทําอะไรก็สร้างขึ้นมาได้ขอให้เรามีพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆนี่เราก็มีสติแล้วหรือให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่โดยที่ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นกําลังทํากับข้าวก็ให้อยู่กับเรื่องทํากับข้าวอย่าไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องเงินเรื่องทองให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกสร้างสติขึ้นมา พอเราสร้าง <buat S 1> สต i i ไิได้แล้วถ้าเราต้องการจิตให้น <te> ิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิเราต้องนั่งเฉยๆเท่านั้นมันถึงจะสงบได้ถ้าไปเดินไปยืนมันจะไม่สงบไปทำอะไรมันจะไม่สงบแต่เราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ถ้าเราต้องกำลังเจริญสตินี่เราทำได้ทุกิริยาบุแต่ถ้าเราต้องการนั่งให้จิตสงบเราต้องนั่งเฉยๆถ้าต้องการให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิให้รวมนี้มันต้องนั่งเฉยๆ อันนี้คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องขั้นต้นต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเมื่อสร้างสติได้แล้วก็นั่งทำใจให้สงบถึงจะค่อยไปสติปัะญานกายเวทนาจิตทำต่อไปได้อันนี้มันเป็นขั้นปัญญาการพิจารณาร่างกายนี้มันเป็นปัญญาแล้วแต่ก่อนจะพิจารณาร่างกายได้เราต้องมีความสงบก่อนถ้าจิตไม่สงบกิเลสมันจะเดึงไปคิดถึงขนมนมเนย ไปคิดถึงทีวีไปคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงเงินทองคิดถึงเรื่องราวต่างๆร้อยแปดมันจะไม่ย อ, อกคิดถึงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเราจึงต้องหยุดความคิดหยุดจิตให้ได้ก่อนทำจิตให้สงบก่อนเมื่อจิตสงบแล้เราก็จะสามารถดึงจิตให้ไปคิดเรื่องร่างกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมได้จะหลุดพ้นจากจาก ความทุกข์ทั้งหลายได้ก็ต้องเข้าใจว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นอย่างไรถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็จะไม่ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ถึงแม้จะนั่งสมาธิได้ก็ได้แต่ขั้นสมาธิการจเจริญสตินี้เพื่อให้ได้สมาธิการได้สมาธิก็เพื่อที่เราจะได้เอาใจมาคิดทางปัญญาต่อไปได้พิจารนาร่างกายว่าไม่เที่ยง กิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สวยไม่งามนี่เรื่องของร่างกายพิจารณาเวทนาได้ว่ามันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้พิจารณาจิตก็เหมือนกันจิตของเราก็มีอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างมีรักบ้างมีชังบ้างมีกลัวบ้างมีหลงบ้างก็พิจารณาให้ปล่อยวาง อารมณ์เหล่านี้ธรรมก็ในใจเรามีธรรมทั้งที่เป็นส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีธรรมที่ส่วนที่ไม่ดีก็คือกิเลสตัณหานี่ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งส่วนที่ดีก็คือสติสมาธิปัญญาเราต้องเอาส่วนที่ดีมาฆ่าส่วนที่ไม่ดีมาทําลายส่วนที่ไม่ดีพอเรามีธรรมที่เป็นส่วนที่ดีทําลายส่วนที่ไม่ดีหมดไปจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือ โดยสังเกตขั้นตอนของการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเริ่มที่สติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมต่อไปจาก YouTube นะครับมีเข้ามาอีกสองคำถาม น, นะครับจากคุณเจครับบุญจากการช่วยแม่ทำกับข้าวใส่บาตรในวันพระกับบุญที่เราซื้ออาหารใส่บาตรทุกวันต่างกันไหมครับ ต่างกันเพราะบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือนี่ก็เราไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียคราบของเงินทองของเราเองเพียงแต่เสียเวลาเพียงแต่เราจะได้ช่วยคนอื่นให้เขาสบายขึ้นช่วยแม่ให้สบายขึ้นทำาะไรให้สบายขึ้นอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นแล้วบุญที่เกิดจากการทาทานนี่ก็เป็นบุญอีกอันนึงอันนี้จะทาให้เราสละ เข้าของเงินทองได้ไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่ตะหนี่ไม่โลภไม่เหมือนกันบุญคนละอย่างถ้าเป็นยาก็ยาคนละชนิดยาชนิดหนึ่งยาแก้แก้ปวดตาอีกยาชนิด แ, า ก, า ก, แก้ปว ด, ดหูอย่างเงี้ยมันใช้คนละชนิดกันถ้าเรามีปัญหาเรื่องความตะหนีเรื่องความร่วมในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็ต้องทําทานให้มากว่าถ้าเรามีความเห็นเกียรตัวขี้เกียรตไม่อยากจะช่วยใครจะ อยากจะให้คนอื่นช่วยเราแต่ไม่ช่วยเขาเราก็ต้องไปช่วยคนอื่นเขาบ้างเพราะถ้าเราช่วยคนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาช่วยเหลือเรานั่นมันเป็นเป็นยาคนละชนิดกันเหมือนถ้าปวดตาก็เอายาแก้ตามายอดแก้ปวดตามายอดถ้าปวดหูก็เอายาแก้ปวดหูมายอดถ้ามีความตะหนีมีความขี้หนีก็มีความความหงสาวสมบัติก้าวของเงินทองก็ต้องทาทาน ถ้ามีความเห็นคิดแก่ตัวไม่อยากจะช่วยเหลือใครอยากจะให้คนอื่นเขาช่วยเหลือเราแต่ไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนีก็ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปจะได้มีคนมาช่วยเราใช่ไหมถ้าเราทำอะไรแล้วเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาถ้าเราคอยช่วยเหลือคนอื่นนี่พอเราเป็นอะไรนี่มีคนมาช่วยเหลือเราเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือใครเนเวลาเราเป็นอะไรจะมีใครมาช่วยเหลือเราเปล่าใช่ไหมนีมันเป็นบุญคนละอย่างกัน คำถามต่อไปจากคุณอีซี่ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนสอนถูกต้องหรือได้ทำตามที่พระอาจารย์บอกเพราะมีแนวทางสอนมากมายทั้งสอนแต่คําพระพุทธเจ้าไม่เอาคําของสาวกหรือสอนแนวทางอื่นๆที่สอนเน้นตรงตรงนี้สอนเรื่องอะไรต่อก็ต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้านี่เหมือนกับได้รับรองจาก อะไรม อ, อกเนือใช่ไหมอ่ามาตรฐานษามอก ร, กร์กร่ยอ่สินค้าต่างๆเราไปซื้อเราต้องไปดูมันแปะป้ายมอกว่กาแบบถ้ามันแปะป้ายอ่ะใช้ได้แล้วถ้าสินค้าที่ยังไม่แปะป้ายก็ต้องระวังเน้นการเราต้องศึกษาคำสอนของพระเจ้าก่อนแล้วเราค่อยไปฟังของคนอื่นถ้าคำสอนของคนอื่นไม่ขัดกับคำสอนของพระเจ้าก็ใช้ได้ถ้าขัดกันก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเชื่อของพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่า เรามีมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยศึกษากันเราไม่ชอบไปอ่านกันเพราะเราไม่รู้จะไปอ่านที่ไหนเพราะมันเต็มไปหมดดูพระไตรปิฎกนี้ต้องสี่สิบเล่มนี้ไม่รู้จะเปิดเล่มไหนดียังนั้นเราเอาเอาหนังสือที่เขาคัดพระไตรปิฎกเอาเอาแต่หัวหัวเอาแต่คํำสอนที่สําคัญสําคัญมีพระสูตรไม่กี่ม่ไม่มีกี่อันที่เราควรจะศึกษากันเช่นตรรมจักรเนี่ยอันแรกสติปัฏฐานสูตร มงคลละสูตรเนี่ยอนัอนตตลักษณะสูตรเนี่ยแค่นี้สี่ปันี้ก็จะได้ควบคุมเกือบจะหมดลสะสี่ปัศน์เนี่ยมงคลละสูตรเนี่ยมงคลสามสิบปดเนี่ยท่านสอนให้เราทําอะไรเพื่อให้จิตให้เรามันเป็นขั้นตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงขั้นหลุดพ้นถึงพระนิพพานเลยเนี่ยสามสิบแปดขั้นเทื่อไปสู่พระนิพพานขั้นแรกก็สอนให้อย่าไปครบคนุง่อให้ครบคลุมฉลาด อยไครบพระพุธพระธรรมพระสงค์ท่านเป็นคนฉลาดที่สุดอย่าไปคบคนที่ไม่รู้เรื่องเรื่องธรรมะอย่าไปคบคบเราเดี๋ยมันก็พาเราไปทางโลกคนมาหมดอันนี้เริ่มต้นตรงนั้นแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ขั้นต่างๆไปถึงขั้นพันธิพานได้สามสิบสาสิบแปดข้อด้วยกันที่เรียกมงคลสาสิบแปดที่เราต้องการรายละเอียดมากกว่า น, นั้นก็ต้องไปฟังมาศึกษา วิธีการปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นก็มีในธรรมจักรในสติปัฏฐานมีในอนัตตลักษณสุขเนี่ยขั้นนี้ก็พอละถ้าศึกษากันนี้เราไปไปศึกษากับครูบาอาจารย์องคอื่นเราก็จะรู้ว่าท่านสอนนอกนอกจากนอกนอกลูก่นอกทางหรือเปล่าตรงตรงนี้หมดอะคำถามจากคุณสุวัฒนาการที่เราทำบุญแล้วบอกให้ผู้อื่นเขาโมทนาบุญ หรือทําบุญแทนผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้นั้นจะได้รับบุญหรือไม่คะไม่ได้รับบุญของใครของมันอย่างก็ดีเลยเ้วคนที่ไม่ต้องทํานอนเที่ยวเล่นแล้วก็ให้คนอื่นไปทำทาแล้วก็ให้งานนุมโมทนาให้เรามามอบบุญให้เราคาถามจากคุณบุญมีบางท่านบอกการปฏิบัติถ้าบุญบารมียังไม่ยังไม่ถึงจะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่บรรลุธรรมกระผมขอความกระจ่างได้ครับ บุญบารามีก็เหมือนกับการศึกษาที่เราเรียนมามากน้อยถ้าเราก็เรียนจบม .6 มันก็เราก็ไปต่อปริญญาได้เลยถ้าเราไม่ได้เรียนจบม .6 เราก็ต้องไปเริ่มที่อนุบาลก็เท่านั้นเองก่อนที่ไม่มีบุญก็ปฏิบัติได้บรรลุได้เพียงแต่ว่าต้องไปเริ่มที่ต้นคนที่เรียนมาจบครึ่งทางแล้วเขาก็มาต่อที่ครึ่งทางได้คนที่มีบุญบารามีนี่เขาก็มาบางคนมาบวชได้เลยเนี่ย แต่พวกเรายังบวชไม่ได้่พวกเราก็ต้องทําบุญทางทานไว้ก่อนนักษาศีลห้าไปให้ได้ก่อนหัดนั่งสมาธิไปให้ได้ก่อนพอเราทําได้แล้วเราเดี๋ยวเราก็ไปบวชได้พวกที่ยังไม่ได้ บ, บวชกันก็แสดงไม่ชาติก่อนทําบุญมาน้อยพวกที่มาเกอนแล้วมาบวชได้เลยเนี่ยเป็นพวกที่เขาทําบุญมามากแล้วเขาจบมหแล้วการบวชนี่เหมือนกับการไปเรียนในมหาลัยแล้ว พวกเรามันยังไม่เคยเรียนกันก็ต้องอยู่อนุบาลกันไปก่อนทําบุญใส่บาตรไปก่อนรักษาศีลห้ากันไปก่อนยังยังจะถ้าเป็นแทบตายกันเลยทําแค่นี้ใช่ไหมอย่าถามนูเพราะว่าตรงนี้นะคะแต่สำหรัเวลาที่สวดมนต์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกับส่วดพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะ แตกต่างไปอย่งไรไม่ต่างกันหรอกการสวดนี้ก็เป็นการฝึกสติอะไรไอ้สวดครั้งแรกสวดครั้งแรกเนี่ยมันตะปุบตะกัดเลยค่ะแต่ว่าถ้าสวดเข้าใจไปด้วยมันก็จะคล่องอย่างเงี้ยอ่ก็สวดไปเสร็จสวดคนที่บ้านแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ถนัดและชอบนั่งสมาธิเนี่ยแตกต่างไปอย่างไรนั่งสมาธิก็อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะนั่งสมาธิแสดงว่ามันก้ามันเลยขั้นสวดมนต์ไปแล้ว คนที่ยังซับยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพื่อจะได้มีสติอพอมีสติแล้วก็อยากจะนั่งสมาธิเรารู้สึกว่าสวดมันจะนุ่งงำนงำ่งมันไม่สงบแล้วถ้านั่งะจะดีกว่าอัไหถูกติกคะก็นั่งนั่งจะดีกว่าแต่ถ้านั่งไม่ได้นั่งแล้วฟุ้งซ่านก็สวดไปก่อนชอบชอบนั่งแล้วแต่คนไงแล้วแต่ว่าทําบุญมาระดับไหนบางคนยังไม่มีสติ นั่งเราไม่นั่งไม่ได้นั่งเราฟุ้งซ่านก็ต้องสวดไปก่อนคนที่สวดได้แล้วมีสติแล้วจิตสงบแล้วก็ไม่อยากจะสวดแล้วอยากจะนั่งไม่ทราบวันไหนผิดอันไหนถูกไม่ผิดถูกทั้งกคนทั้งคู่แต่คนละชั้นกันอืชั้นอนุบาลหนึ่งกับชั้นอนุบาลสองมันไม่เท่ากันให้เรานั่งดีกว่าใช่แล้วเราไม่ต้องสวดแล้วเรานั่งไปเลยนั่งดูลมไปก็ได้ขอเมตตาค่ะได้อ่านหนังสือพระอาจารย์ไหลเล่น แล้วก็เล่มที่พระอาจารย์เขียนเรื่องของความเพียร น, นะคะอยากจะขอเมตตาพระอาจารย์สร้างทางเพียรหรือเพราะว่าความเพียรน่มันยังน้อยมันยังน้อยมากค่ะเยอะมากหรือปฏิบัติอย่างน้อยมันฟังกลัวค่ะมันฟังทาอยู่เรื่อยๆฟังเทศไปเรื่อยๆแล้วก็คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราขยันขึ้นไป ต้องหาไฟมานล่นก้นอเงี้ยมันม่ไมไม่ขยันนะคิดถึงความตายแล้วมันจะทำให้เราขยันนะเราไม่รีบปฏิบัติเดี๋ยวตายแล้วไม่มีเวลาปฏิบัตินะให้คิดถึงความตายไปดูคนคนเพื่อนเราตายไปทีละคนสองคนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราตายแบบตายมตายตามเข้าไปเราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัตินะ ถ, ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความขยันขึ้นมาเองเราเวลาที่เราเสียไปกับการหาเงินทองหาความสุขทางอื่นมัน หายไปหมดแล้วไม่เป็นประโยชน์เลยเอาไปไม่ได้สื่อเอาความสุขที่ได้จากการทำความเพียงไปดีกว่าเราต้องหัดคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความขยันขึ้นมาคำถามจากคุณน้ำเงินหากไม่ค่อยได้ไปทำบุญงเทศที่วัดแต่ดูแลปริบัตรคุณแม่ที่ชราภาพอยู่ที่บ้าน เป็นกุศลผลบุญเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนหรอกก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังดูแลคุณแม่ก็เหมือนกับได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่แต่ไม่ได้บุญจากการทําทานไม่ได้บุญจากการปฏิบัติธรรมฮะมันบุญแต่ละชนิดมันเหมือนยาแต่ละชนิดหรืออาหารแต่ละชนิดที่มันไม่เหมือนกันที่เราจําเป็นจะต้องกินให้มันครบไงเวลากินอาหารกินข้าวอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ครบไงกินข้าวมันต้องกินกับนะต้องกินขนม ต้องกินเครื่องดืม่มกินผลไม้มันถึงจะได้อาหารครบสูตรการปฏิบัติมันก็มีบุญทั้งสิชนิดด้วยกันแต่บุญที่เราจำเป็นจะต้องมีที่สำคัญก็มีอยู่ 4-5 หชนิดคือทานเนี่ยศีลภาวนาการฟังเทศฟังธรรมมีสีอันเนี้ยไปบรรลุได้แล้วบุญอันอื่นี่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ อันนี้พ่อแม่ต้องดูเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูไปอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกัน่ไม่มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูก็ไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องทําแต่ขอให้ทําบุญหลักไว้สี่บุญหลักมีอยู่สี่ข้อฟังเทศฟังธรรมก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าต้องละทําทานไม่ให้โลภไม่ให้ตนันดีให้รักษาศีลไม่ให้ไปทําบาปให้ภาวนาทําจิตให้สงบ ถ้ามีบุญสี่ชนิดนี้แล้วก็บรรลุได้บุญอย่างอื่นถ้ามีโอกาสก็ทำไป เ, เวลาทำบุญแล้วก็กดน้ำไปเวลาเพื่อนเข้าไปทำบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาไปกับเขาเวลาเขามีงานการตองการความช่วยเหลือแล้วก็ไปช่วยเหลือกัน น, นีก็ทำไปตามเหตุการณ์ตามโอกาสแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปทำถ้าไม่มีเหตุการณ์ ให้ทำสี่อย่างนี่ฟังทำแล้วก็ทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาคําถามจากคุณเลิฟคนที่เจ็บป่วยจากโรคมะเร็งจะช่วยให้ผ่อนคลายจากอาการยังไงครับให้เขาท้องพุโทโธช่วยให้มีสติได้ไหมครับได้เราก็ทําได้มันขณะที่ไม่ป่วยยังทำไม่ได้เวลาป่วยมันยังไม่ทําได้เมันไม่มีสติสตังนะยันต้องหัดทําตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะ ต้องฝึกสร้างสติหัดทาใจให้สงบถ้าทําใจให้สงบได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ท ร, รมานจะไม่ทุกข์เราทำพระจันอยูน่นี้คือว่าตื่นเช้าที่มาเนี่ยเราก็ทําอาหารใส่บาตรเนี่ยแต่ว่าเราต้องไปออกกำลังากายรวมกับเขาเนี่ยหรือไม่ให้ให้ลูกจ้างใส่เนี่ยมันจะได้เราก็ได้บุญนะถ้าเป็นของของเราเพราะมันเวลาเดียวเรากําจัดที่เราทําบุญใส่บาตรก็เพื่อกําจัดความตันอี เท่านั้นเองเอราไม่มีเวลาอใสยก็ให้ลูกจ้างใส่ให้หรือเจะใส่เองเใส่เองก็ได้ไม่ใส่เองก็ได้ได้บุญบุญออกกายเวลาเดียวเจ็ดโมงหกโมงคืนไม่สําคัญเนะขอให้ได้ทําให้เคาะถึงแม้ไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรให้เงินบาทเงินเข้าไปซื้อข้าวให้ใส่บาทให้เราก็ได้เกิดการทําทานนี้เป้าหมายก็คือให้เราลดความโผงเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ค่อยสบายใจเอ ค ำ, คำถามจากคุณรุชยาที่ที่ถามมาเมื่อกี้สองคำถามนะฮะคำถามที่สามคือแล้วบางครั้งนั่งนิ่งและบางครั้งนั่งแล้วเหมือนจําอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนหมดความรู้สึกไปชั่วขณะมันคืออะไรคือในขณะที่นั่งรู้สึกว่ายังนั่งตัวตรงอยู่ไม่ได้หลับค่ะก็เวลานั่งจิตสงบมันก็จะลืมทุกอย่างไลยแม้แต่ร่างกายก็ลืม พอสัญญามันหยุดทํางานสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งมันหยุดทํางานจิตมันนิ่งมันว่างเหมือนมันลอยอยู่ในอวกาศไม่ให้ไม่มีอะไรให้มารับรู้ไม่มีอะไรให้มาให้จําแล้วจิตสงบแล้วมันจะเหลือแต่ความว่างแต่มันเป็นความสุขอย่างยิ่งนีมันเป็นความสุขมันเป็นความว่างจริงหรือเปล่าแล้วเป็นความหลับถ้ามันไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขก็แสดงว่ามันหลับมากกว่า คำถามจากคุณนุชนัทการพิจารณากายควรพิจารณาเวลาที่จิตรวมนิ่งเป็นสมาธิหรือช่วงไหนครับไม่ใช่ต้องเวลาที่จิตไม่สงบเสีเวลาออกจากสมาธิมาจิตเวลาที่จิตคิดเนี่ยถึงยามมาพิจารณาเวลานั่งสมาธิให้จิตสงบนี่ไม่ต้องการคิดต้องการให้มันสงบเพราะความสงบจะทําให้เรามีความสุขพอเราคิดแล้วมันก็ไม่สุขดังนั้เนเราต้องหยุดความคิดก่อนให้จิตสงบให้มีความสุข พอจิตมีความสุขออกจากความสงบมาที่ก็บางคังให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เรามีความสุขต่อก็คิดทางอนิจจังทุกขงังอนตตาไปคิดว่าร่างกายของเราเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์ให้คิดอย่างนี้สอนใจให้ปล่อยวางถ้าใจปล่อยวางร่างกายได้แล้วเบาสบายใจร่างกายจะแก่เจ็บตายก็ไม่เดือดร้อนถ้าปล่อยวางได้ คำถามจากคุณปราณีเวลาครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานนั่งสมาธิฟังแล้วจิตไม่ส่งออกนอกนั่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงรู้สึกไม่มีเวทนาสบายสบา ย, บายรู้สึกมีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิขั้นไหนเจ้าคะขั้นนั้นแหละไม่รู้จะชื่ออะไรก็ขอให้มันมันสงบมันสบายก็แล้วกันเขาเรียกว่าเป็นความสมาธิได้ที่ได้จากการฟังธรรมไงอ น, นิส่ของการฟังธรรมนี่ หนึ่งจะทําให้จิตใจมีความสงบผ่องใสเพราะใจเราไม่ไปคิดถึงขนมนมเลยไม่จะไปคิดถึงเรื่องเงนินเรื่องทองเรื่องปัญหาต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆมันก็ได้หายไปความสงบมันก็มาเลยทําให้เรานั่งเฉยๆอย่างมีความสุขได้แต่พอเรามานั่งสมาธิเองนี่นั่งไม่ได้พอพุโทโธสองคำมันไปคิดถึงขนมแล้วคิดถึงแฟนแล้วคิดถึงลูกแล้วมันก็เลย นั่งไม่ได้งานไม่กี่นาทีก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่เวลาฟังธรรมนี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องพุดโธเองมีฟังเสียงธรรมของพระที่แสดงใจก็ฟังไปเรื่อยๆมันก็เพลินมันนั่งดูหนังใช่ไหมเวลานั่งดูหนังนี่สองชั่วโมงผ่านไปเร็วกว่า น, นะใช่ไหมเวลานั่งรอหมอหรือรอใครนี่ไหมต้องมองนาฬิกาทุกห้านาทีนะเพอาใจมันคิดมันอยากอ ย, กอยู่เรื่อยๆ แต่พอเวลาดูอะไรมันก็เพลินไปกับสิ่งที่ดูมันก็เลยทําให้มันไม่มีความอยากจะไปทําเรื่องอย่างอื่นมันก็เลยนั่งดูได้นานนะคนจึงบางทีชอบไปดูหนังกันแต่ที่หนดูหนังมันไม่สงบบางทีมันตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวไปกับกับหนังที่มันมันแสดงแต่ถ้าฟังธรรมนี่มันจะสงบแล้วมันจะได้ความรู้ความฉลาดที่จะมาใช้กับการรักษาใจของเราให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์ได้ คำถามจากคุณติปการสวดมนต์ทุกๆวันช่วยให้เกิดอะไรบ้างครับก็เป็นการฝึกสติเจริญสติเวลาสวดเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หยุดสังขารความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความอยากต่างๆได้ในระดับหนึ่งก็ทำให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่คำถามจากคุณกาบัน เราจะมีวิธีปล่อยตัวรู้ตัวนี้ยังไงครับอ๋อตัวรู้ไม่ต้องไปปล่อยมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวที่ต้องการปล่อยก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิน่งต่างๆที่เป็นเราของเราเนี่ยต้องปล่อยตัวนี้ปล่อยลูกปล่อยสามีปล่อยภรรยาปล่อยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปถ้าเราปล่อยไม่เป็นเวลาจากกันมันจะทุกข์ ถ้าปล่อยเป็นแล้วมันจะไม่ทุกข์เนี่ยที่ให้ปล่อยให้ปล่อย ส, สิ่งต่างๆตัวรู้ไม่ต้องปล่อยเพราะตัวรู้มันไม่เป็นปัญหาแล้วก็ปล่อยไม่ได้ก็เพราะตัวรู้เป็นตัวเราเราจะไปปล่อยไม่ได้มันอยู่กับเราเราอยู่กับมันมาตลอดปล่อยมันไม่ได้ให้ปล่อยของอย่างอื่นที่มันไม่อยู่กับเราที่จะต้องจากเราไปให้ปล่อยของพวก <Okay. S 1> นั้นของที <https. S 1> <tim. S 2> ่ไม่ไม่จากเราไปเราไม่ต้องไปปล่อยมันหรอกมันไม่เป็นปัญหามันไม่ได้ทาให้เราทุกข์ ไอปันไอตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือของต่างๆที่เรามีอยู่เนี่แล้ววันนึงมันต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปเวลาจากกันมันทุกข์ไหมล่ะแต่ถ้าเราปล่อยเราจะไม่ทุกข์คำถามจากคุณหนูผู้ที่มีบุญได้บวชนี้แต่บวชที่วัดไม่ได้ปฏิบัติเท่งครับถือว่ามีบุญมากหรือเปล่าคะถ้าเทียบกับคารวาาแต่ปฏิบัติศีล สมาธิอยู่บ้านสม่ำเสมอก็คือการบวชมันมีบวชด้วยหลายสาเหตุบวชเพื่อเป็นอาชีพก็มีตกงานไม่รู้จะไปทำมาหากินยังไงเี็กก็ไปบวชมานั่งสวดศพก็ได้เงินได้ทองอันนี้ก็บวชเป็นอาชีพอันนี้ไม่ได้บวชตามที่พระเจ้าสอนให้บวชบวชแล้วไม่ร่ำไม่เรียนบวชมาเพื่อหัดสวดสวดศพสวดบุญบังสังสวดนี้ตรงนี้ไม่ได้บวชเพื่อให้หลุดพ้น ไอพวกนี้ไม่ถือว่าบวชด้วยบุญบวชด้วยกิเลสตัณหาเมื่อทำหากินไม่ได้ตกงานหางานทําไม่ได้ไปบวชก็มีอาชีพเดี๋ยวก็มีกิจนิมนต์เช้าก็ไปสวดบ่ายก็ไปสวดสวดทีก็มีซองมาซองหนึ่งใช่ไหมสวดวันละหลายร้อยรอบมันก็ได้หลายซองนะอันนี้ไม่ได้บวชเพื่อตัดกิเลสไม่ได้บวชเพื่อศึกษาเพื่อทำคำสอนบวชเพื่อ เพื่อซองถ้าบวชแบบนี้ก็จะบวชก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นมันไม่ได้ต้องมันต้องดูว่าบวชเพื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้าบวชเพื่อศึกษาแล้วปฏิบัติเนี่ยเป็นพระมันจะดีกว่าเป็นฆราวาสเพราะมันมีเวลามากกว่าคาราวาสต้องแ บ, บ่งเวลาไปทํามาหากินไปทํากิจกรรมอย่างอื่นมาปฏิบัติได้น้อยกว่า แล้วเวลาบวชแล้วได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์มากกว่าต้องไปบวชวัดที่เป็นวัดปฏิบัติถ้าไปบวชวัดที่มีการรุนบางสังส่วนก็อย่าไปบวชเลยเสียเวลาคำถามสุดท้ายจากคุณปวิ์ นั่งสมาธิรู้ตัวว่าไม่หลับแต่เหมือนตกหลุมอากาศเป็นเพราะอะไรครับจะแก้ไขอย่างไร อ, อ๋อไม่ต้องแก้เหรอเวลาจิตสงบมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเหมือนกับตกหลุมอากาศให้ประคับประคองสติไว้ประคับประคองใจให้รู้เฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจให้นั่งต่อไปให้มันนิ่งต่อไปเหมดแล้วใช่ไหมก็<ส>อพอสมควรนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมข้างล่างนี้ไหม